นโอกาสนี้ไปก็เพิ่งสร้างใจฟังทำบุญระลึกทำคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ได้ประโยชน์สุตตะมยปัญญาความรู้จากการฟัง ภาวนามยปัญญาความรู้จากการปฏิบัติเจริญภาวนาก็คือทํทำไปพร้อมกันทั้งการภาวนาทั้งการฟังธรรมพอสามารถที่จะฟังธรรมพร้อมกับการปฏิบัติกรรมฐานได้เพียงแต่เราต้อง รับรู้ทั้งสองด้านคือรับรู้ทั้งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังด้วยและการรับรู้ทั้งตัวสภาวะในกายใจของตัวเองด้วยเนี่ก็จะมีการสลับกันไประหว่างการรู้กายรู้ใจกับการรับรู้เรื่องที่ฟังอยู่เนี่ยสิ่งที่ฟัง จะหาสาระก็จะต้องตีความหมายต้องขยายไปในสมมติที่จะฟังรู้เรื่องแต่ว่าขณะเดียวกันก็พึงใส่ใจะระลึกรู้ในกายใจของตัวเองไปด้วยเพื่อสังเกตสภาวะความรู้สึกในกาย ความไว้ความกระเพื่อมความสั่นสะเทือน ม, มีการหายใจเข้ามีการหายใจออกอยู่ก็ใส่ใจสังเกตความรู้สึกหรือว่าเสียงที่ดังได้ยินเนี่ยสภาพได้ยินได้ยินมันเป็นสภาวะเสียงก็เป็นรูปธปรรม ได้ยินได้ยินก็เป็นนามธรรมนั้นเราลึกรู้สภาพเสียงสภาพได้ยินสัพตะว่าได้ยินก็สัพตะว่า ไ, า, า, าได้ยินแล้วก็รู้ในกายในจิตเวลาได้ยินแล้วจิตเรารู้สึกเป็นอย่างไรจิตจะมีการคิดนึกไหมมีปรึกนึกมีการปรุงแต่งไหม ก็ะจะพบว่าจิตมันจะมีการคิดนึกมีสัญญามีสังขารมันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจมีวิตกวิจารวิจัยสงสัยอันนี้ก็พอใจไม่พอใจอิ่มเ อ, อิบเลื่มใจในขณะที่เราลึกรู้อย่างนี้เป็นการปฏิบัติอยู่เป็นการเจริญภาวนาอยู่ สิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังนั่ก็คือว่ามันจะมีนิวรณ์เข้ามาแทรกพอจิตเริ่มสารวมพอจิตสารวมขึ้นมาสงบสงบนิวรณ์มันจะมาแทรกเช่นความง่วงความง่วงเหงาหอนอนจะเข้ามาได้ เนี่ยเราจะต้องตั้งหลักให้ดีถ้ารู้สึกมันมีความง่วงตั้งความะระลึกรู้รู้สึกตัวให้เพิ่มขึ้นนยรู้ ก, กายใจตั้งหลักตั้งสติตื่นตัวตื่นใจเพิ่มขึ้นเร็วเพียนเพียนใส่ใจเพียนระลึกรู้มากขึ้นในงั้นมันจะหลับซับประงกเนี่ยหรือว่า มันมีฟุ้งเข้ามามีคิดนึกฟุ้งซ่านแล้วก็จะรู้สึกตัวให้จิตมันกลับมาในตัวขณะฟุ้งเนี่ยจิตมันจะไปเรื่องต่างๆพอรู้สึกตัวก็จะกลับเข้ามาในตัวเนี่ยถ้าเราเจริญสติอย่างเนี้ยดีไม่ดีธรรมะคำสอนที่เราฟังเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ใกล้ชิด ทำให้เข้าไปสังเกตสภาวะเกิดปัญญารู้แจ้งเกิดยงตายเห็นธรรมได้ น, นในสมัยพุทธกาลจึงมีผู้บรรลุ ธ, ธรรมในขณะฟังธรรมอยู่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอยู่เพราะบรรลุเป็นอริยบุคคลในขณะนั้นหรือฟังจากสาวุกขะตาม วันเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ใกล้ที่จะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมารคผูช้าที่จะถึงตรงกับวันที่สี่มีนาคมตอนเหลือเวล า, าอีกไม่กี่วันเป็นวันสำคัญอยู่ ก็จะได้นำสาระคำสอนเหตุการณ์แห่งวันสำคัญนี้มากล่าวให้ท่านทหลายได้ฟังทั้งเรื่องราวทั้งสาระทั้งตัวคำสอนเหตุการณ์ของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นพรรษาแรกแห่งการตัสรูพระพุทธเจ้าจตัสรูในวันเพ็ญเดือนหกแสดงธรรมครั้งแรกก็วันเพ็ญเดือนแปดผ่านมาสองเดือนประกาศธรรมแล้วก็ผ่านมาถึงกลางเดือนสามก็จึงได้มี พระอาหารหันต์เกิดขึ้นพระอรหันต์ที่กลุ่มปัญจวัคคีย์อะ น, นั้นก็เป็นพระหันต์ที่ป่ายสีปะตนาบมะร็งเกทายวันแล้วก็มีพระหันต์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของชดินชดินสามพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นพัน หนึ่พันลูกแล้วก็กลุ่มของฤกษิษของพระสารีบุตราโมกุลาณะอีกสองร้อยห้าสิบที่สำเร็จเป็นพระหันด้วยเอหีบิขบวชก็บวช ด, ด้วยเอหีบิขูประสัมันธเป็นพิสุทีปรปเจ้าทรงบวชให้เองดันั้นก็มาประชุมกัน มาประชุมกันที่วัดเวรุวันในเวลาบ่ายโดยไม่ได้นัดหมายกันจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนื้ ว, วันนั้นก็เป็นวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอระหรันต์ฟังธรรมที่ถ้าสุกราคาตาในภูเขาเคชจกุ ท่าสารไดบุตรในเดิมก็ชื่ออุปติสสะเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับโกริกะได้ก่อนหน้าที่เป็นคราวาสได้ขึ้นไปดูมรสศกบนภูเขาแล้วก็เกิดธรรมสังเวศว่า คคเหล่านี้มัวแสดงต่างๆที่สุดก็ต้องตายในเกือร้อยปีน้องมาสู่ตัวเราตัวเราเองก็มีความเป็นอย่างนี้ไมมเราก็ต้องตายเหมือนกันอยากก่างนั้นเยเราควรจะหาที่พึ่งหาสิ่งที่เป็นสาระที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวนว่ายตายเกิดบางคนก็ได้ออกบวชไปอยู่ในสำนักของ สัญชัยปริภาชกเรียนทำที่นั่นจนจบก็หมดคำสอนของอาจารย์ท่านก็เห็นว่าก็ยังไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์จึงตกลงกันว่าถ้าใครได้อามาตตาธรรมได้ทำพ้นทุกข์ก็ต้องบอกกันระหว่างอุปติสสะกับโกริสสะ แในวันหนึ่งอุปติสสะมาเห็นพระอสัชิกาลังออกบินธรบานมีกิริยามารยาทเรียบร้อยการเดินการสํารวมอุปติสสะก็พิจารณาว่าท่านผู้นี้ต้องมีธรรมะดีมีอินรียผ่องใสมีกิริยามารยาทที่สํารวมก็ติดตามท่านไปท่านกำลังบินธบาน วม่าท่านไปที่ฉันเรียบร้อยแล้วก็จึงเข้าไปถามถามว่าท่านท่านได้บวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่า น, านชอบธรรมของใครบวชเนี่ยบวชุทิใครใครใครเป็นศาสดา ฉันชอบทมของใครพระสถิตก็บอกว่ามีอยู่พระมาสมณะสักยะบุตรออกบวชจากสักยตโกูลเราบวชเฉพาะพระองค์นั้นท่องเป็นศาสดาของเรา ศาสดาของเรามีปกติเรียกว่าออกบวชอย่างสาักศีกุลเป็นมหาสมณนะกระสารีบุตรอุปติสักก็ถามมาแล้วท่านมีปกติสอนอย่างไรพระสัจจิก็บอกว่าเรายังเป็นผู้ใหม่เป็นพระใหม่เข้ามาในธรรมวินัยนี้ยังไม่นานไม่อาจที่จะ แสดงทําให้ท่านได้อย่างกว้างขวางอุปติสักก็บอกว่าขอท่านจงแสดงเฉพาะใจความอันเป็นส่วนสำคัญข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้ทําฟาังเข้าใจจากนั้นพระสัจฉิท่านก็ได้แสดงธรรมเป็นคาถาย่อๆแต่ว่า อุปติสสะฟังแล้วบรรลุเป็นโสดาบันย่อมก็ลองฟังนะว่าคำเดียวกันอุปติสสะฟังแล้วท่านดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นนะท่านตรับท่าพระสัจจได้กล่าวว่าเ <c oughs> ยธรรมมาเหตุปุบะภาว แต่สังเหตุตรงตถาคโตอาหะแต่สัญะโยนิโรโถเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งทำเหล่านั้นและความดับแห่งทำเหล่านั้น พรมหาสมณะมีปกติสอนอย่างนี้ลูกศิษยฟังแค่นั้นเนี่ยแท่งตลอดในอริยสัจจะบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยผู้ที่มีอินทีบรารมีเก่งกล้ามานนะเป็นดอกบัวที่พ้นนะต้องแสงอธิกระบานได้เลยทำเราได้เกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไรทั้งการแสดงอริยสัจเลยย่ออริยสัจแตอุปติสัยเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเข้าใจแทงตลอดนะทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พสถาคดทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเอาละและความดับแห่งธรรมนั่นก็หมายถึงมาทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมีเหตุทำให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ทรงแสดงเหตุธรรมและเหตุ และความดับไปแห่งที่นะันั้นก็คือนิพพานนิพพานเป็นสภาพที่สิ้นไปดับไปแห่งปัญหาเมื่อเหตุแห่งทุกข์มันดับเนี่ยมันก็จะเป็นความดับทุกข์าเราใดเ่าหนึ่งเกิดขึ้นทาเราใดเ่าหนึ่งมีเ ทำใดทำเดาใดเดหนึ่งเป็นก็คือทุกข์เนี่ยแก่ขันท้ารูปนามขันท่าเนี่ยที่ประกอบมาเป็นศิริละร่างกายชีวิตถ้าได้กาหนดรู้เนี่ยยังรู้ลงไปในกายเห็นรูปเห็นนาเห็นสภาวะมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงมันแตกดับมันมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ละตัณหา กำหนดรู้ทุกอย่างไรที่จะเป็นไปของการละตัญหาก็ต้องกำหนดรู้เฉยๆกำหนดรู้อย่างปล่อยวางกำหนดรู้อย่างไม่ว่าอะไรนี้กาหนดดูรูปดูนามเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางปล่อยวางอยู่ตัญหาจะถูกละตัญหาจะไม่กาเลิกกาเริ ก, กแต่ถ้าเรากำหนดรู้ทุกแบบบังคับ จะเอาทุกข์ให้หายทุกข์จะเอาทุกข์ให้หมดไปอย่างนี้ไม่เอาจะเอาอย่างปัญหาเกิดเราจะมีวิภวตัญหาอยากไม่มีไม่เป็นอยากให้ปวดหายอยากให้ปุ้งหายแล้วก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นหรืออยากมีอยากเป็นอยากได้เคยได้แล้วก็อยากจะได้เหมือนเดิมอยากสงบเหมือนเดิมเพราะวะ่าัญหา ก็รลยดักทุกข์ไม่ได้ถ้ากําหนดรู้ทุกข์รู้กายใจเนี่ยใส่ใจลงไปในกายเจอความเย็นความร้อนอ่อนเข็งหย่อนตึงความไห้ความก็เพิ่มสะเทือนเนี่ยเป็นรูปประรรมเป็นก้อนทุกข์ตาหูจมูกกลิ่นกายใจสีเสียงกลิ่นรสโวดทับทัการเห็นการได้ยินรูกกน้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึก อันนี้คือก้อนทุกข์เนี่ยรวงกว่ามันที่ประกอบมาเป็นสังขารชีวิตเนี่ยคือก้อนทุกข์ถ้าไม้กําหนดรู้อย่างวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีอภิชาแตธรรมะในโลกนี้ละตันหาดับตันหาได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นนิพพานเป็นความดับทุกข์ธรรมเราได้เกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมแล้วและความดับไปแห่งธรรมเท่ากับแสดงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และความดับความดับไปแห่งทุกข์ความดับไปแห่งเหตุเหล่านะั้นเมื่อพระอุปติสสะเกิดดวงตาเห็นธรรมก็มีศรัทธาเริ่มใสไม่ก้นไม่หวั่นไหวต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ต้องเชื่อใครลนะ ธรมะอันนี้ดับทุกได้ก็ถามพระอทรงประทับอยู่ที่ไหนขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเวรวนันข้าพเจ้าจะกลับไปบอกเพื่อนก่อนตามสัญญาและจะตามไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดัางนั้นอุปติสสะก็กลับมาเพื่อจะมาบอกเพื่อนคือโกริตตะ หรืออดีตพระโมคคัลลานะโกริตตะเมื่อเห็นเพื่อนเดินมาเต็กไกลก็รู้ว่าเพื่อนคงได้เห็นธรรมอินสีของท่านผ่องใสผิวพรรณของท่านงดงามผุดผ่องท่านได้รู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วใช้เราได้บรรลุธรรมแล้ว ท่านได้ฟังจากใครท่านทำของท่านเหล่านั้นสอนเนี่ยนะกุปิศักด์ก็เล่าให้ฟังเนี่ยเจอท่านพระอัสจิเห็นท่านมีูลผิวพัานอินสรียผงใสผิวพ่านงามก็ได้ตามไปแล้วก็ถามแล้วท่านก็ได้บอกมาว่าทมเราใดเกิดแต่เหตุแระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเราและความดับไปแห่งธรรม พนิจ ก, ก็บรรลุปเป็นโสดาบันเี่ยบรรลุกันง่ายฟังกันแค่นั้นเข้าใจเรื่องอริยสัจะมองเห็นเลยว่าทุกข์ทั้งหลายลูกนามเกิดแต่เหตุคือตัณหาเพราะมีอวิชชาพอเข้าไปรู้ทุกข์ทำลายวิชาตัณหาดับตัณหาก็เป็นความดับทุกข์เข้าถึงนิพพานเป็นธรรมที่พ้นโลก แล้วสองท่านก็เลยว่าเราจะต้องไปเฝ้าพระ菩 า, าสดาพระผู้มีพระภาคแต่เรามีบรรดาลูกศิษย์สองร้อยห้าสิบท่านที่บวชมาพร้อมกับเราก็ไปบอกบรรดาลูกศิษย์และเราทั้งสองจะไปบวชไปอยู่ที่สำนักของพระผู้มีพระภาคจ้าแล้วท่านทั้งหลายจะว่า ทั้งหมดเหล่านั้นก็บอกว่าการเที่ยข้าพเจ้าทั้งหลายมาบวชก็มาอาศัยท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายเห็นดีอย่างไรเราก็จะไปอย่างนั้นตกลงสองร้อยห้าสิบก็จะตามไปด้วยก็เลยไปลาสัญชัยเจ้าสํานักสัญชัยก็บอกอย่าไปเลยทั้งสามท่านช่วยกันบริหารสานักของเราดีกว่า อุปติสะโกริตะก็บอกถึงว่าเข้าใจธรรมะมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาเนี่ยก็จะต้องไปพอทั้งหมดจากไปนสัญชัยกระอักเลือดเนความเสียใจอย่างหนักเนี่ยั้นเมื่อสองท่านเดินทางไปนะพระพุทธเจ้าเห็นอุปติสสะโกริตะเดินมาแต่ไกล ก็ตรัสกับพิสุจน์ทั้งหลายดูพิสูจนทั้งหลายเธอจงดูสองท่านนี้เมื่อเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วจะเป็นอัคารสาวกเป็นผู้เริศสาวกชั้นเลิศเมื่อสองท่านมาถึงก็ซบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งลูกศิษย์ทั้งสองรอยห้าสิบ ขอบวชเลยไม่มีข้ออะไรต้องสงสัยเข า, าก็เป็นนักบวชอยู่แล้วเจ้เป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเรียว่าปริพาชกพระพุทธเจ้าก็ประทานบวชให้เลยเธอจงเป็นพิษุเธิ์เธอจงมาเป็นพิสุทธิ์เธอทำมาเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรห ม, มาจรรย์เพื่อธรรมที่สุดแค่นั้นก็สําเร็จเป็นพระพิสุท ตงคงจีวรมีบาทบริขารเรียบร้อยเหมือนพระเทระผู้ใหญ่แล้วเป็นอริยะบุคคลแล้วพุรงจังสอนปรากฏสองร้อยห้าสิบรูปที่เป็นบริวารสำเร็จเป็นพระหันแต่ว่าสองท่านยังไม่สำเร็จ พระพุทธเจ้าให้นามใหม่ว่าเนื่องจากอุปติสะเนี่ยมารดาชื่อว่าสารีก็เลยให้นามว่าสารีบุตรแปลว่าบุตรของนางสารีกริตฐะนี่ก็มรนดาชื่อโมคคารีก็เลยให้ชื่อว่าโมคครานะเมื่อบวชแล้วโมคคารานังก็ไปปฏิบัติ จงกลมนั่งกรรมฐานท่าเพียนภาวนาเกิดความง่วงง่วงมากเนี่ ย, นยขนาดผู้ที่จะเป็นอัครสาวกชั้นเลิศยังง่วงเหมือนกัน น, นั้นอย่างพวกเราจะไม่ง่วงเยท่านไรก็จะหลับหลับสงบพระเจ้าก็ปรากฏนี้ไปสอนมโมครานัก เธอมีสัญญาว่าอย่างไรก็ทำสัญญานั้นให้มากให้ชัดเจนหรือก็ให้พิจารณาธรรมที่ได้ล่่าเรียนมาถ้าเรามีการคิดพิจารณาธรรมก็อใดข้อหนึ่งให้จิตมันทำงานจิตมันก็จะตื่นขึ้นหรือสาธยายธรรมโดยพิสดาร เราเอาธรรมะอะไมาสาธยายดูยดูสิเพรออาะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดเดินหน้าถอยหลังสลับให้มันพิสดารจิตมันทำงานมากๆแล้วตื่ น, นหรือให้มีการเอาอะไรย้อนหูมือรูปตัวก็ได้ทำให้ตื่นตัว หรือว่าการลุกขึ้นยืนมองดูทิศทั้งหลายเอาน้ำล้างหน้าหรือการพิจการทำไว้ใจให้มันสว่างกั้งวันกลางคืนดูมันเหมือนการสว่างหรือว่าการเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็ไปสอนต่างๆถ้าไม่หายก็ สุดท้ายก็เสีหาใสย่ยากอย่างมีสติพอเราตื่นมาก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่อแล้วพระองค์ก็สอนธรรมะเรื่องธาตุหกให้พิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยึ่งประกอบเป็นสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนทั้งเราแล้วก็แสดงถึงเวทนา สุขเวทนาความสบายทุกเวทนาไม่สบายาทุกข์ับมาสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันมีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นให้กาหนดพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนไปแล้ว พมกขาระท่านก็ทำตาที่สุดท่านก็สําเร็จเป็นพระธรนมในวันที่เจ็ดแห่งการได้อุปสมบทส่วนอุปติสระหรือภาษารีบุตรนี่ปฏิบัติอยู่สิบห้าวันผู้มีปัญญาเนี่ยก็บรรลุช้ากว่าจะมีข้อแม้ข้อสงสัยข้อแย้งอยู่เยอะคนมีปัญญาเนี่ยไม่ไม่ปลงใจเชื่ออะไรง่าย บรรลุธรรมก็ต้องอาศัยพุทธเจา้าแสดงอีกองค์หนึ่งให้ฟังในครั้งนั้นน่ะมีทีคณกะหลานพระสารีบุตรตามพระสารีบุตรตามหานะมาเจอที่ถ้ำสุกรักัตตาที่ภูเขาเพชรกุพระองคก็แสดงธรรมเรื่องเวทนาเนี่ยแหละทีคณกะฟังบรรลุเป็นโสดาบัน พระสารีบุตรถมายงานพัดอยู่เบื้องหลังบรรลุเป็นพระอารหาหันเถอแล้ววันนั้นเองก็คือวันเพ็ญสิบห้าข้ามเดือนสาที่พระสารีบุตรสาเร็จเป็นพระหรันพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่วัดเวรุวันซึ่งเป็นเวลาช่วงที่มีพิสุมาประชุมกันหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูป พระองค์ก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แลแล้วก็ได้ตั้งสถาปนาภาษาริบุตรและโมกขารนะเป็นอ克รส า, าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพราะท่านสั่งสมบา ร, รมีมาอย่างนั้นตั้งความปรารถนามาจนบำเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อจะเป็นอครส า, าวกและวันนั้นพระองค์ก็ได้ สแสดงอวตารปาติโมซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นหัวใจที่จะให้พระสงฆ์ได้ถือหลักให้อยู่ในหลั ก, หลกเหล่านี้การดำเนินชีวิตของสมณะเราเนี่ยรงได้ตรักเป็นเหมือนเป็นหัวใจพุทศาสน า, นาว่าสัพพปาปัสสะการนัง การไม่ทําบาปทั้งปวงกุศลโสประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตาประโยชน์ทัพปัญญการชําระจิตของตนให้ข่ารอดเอตังพุท ธ, ธานาาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทุกพ ร, ระองค์ที่ผ่านมาก็สอนอย่างนี้เหมน ดำเนินชีวิตเนี่ยให้อยู่ในหลักไม่ว่าเราจะเป็นพระพิสษุเป็นคารวะหนึ่งต้องเว้นบาป ท, ทั้งปวงอะไรบ้างที่เป็นบาปการฆ่าสัตว์นักท้าประพฤติผิดในกาเนยเป็นบาปการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบคายพื่อเจ้อเป็นบาปการเพ่นเหลงเจ้าของเขาด้วยทุจริตการพยาบาทอาฆาตแค้นการเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเหล่าเนี้ยต้องละออกไป ก็ไม่เป็นบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมนะมีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างที่เราจะต้องพยายามกันเนี่ยอย่างที่เรานั่งฟังนะี่ก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลใหญนะ่มีบุญที่เราจะต้องภาคเพียรทั้งทานศีลภาวนาและก็ทําจิตทั้งตนเองให้บริสุทธิ์ ด้วยการที่เราจะต้องภาวนาเข้าไปรู้รูปรู้นามรู้สภาวะให้เห็นทำความเป็นจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความดับไปโดยธรรมดาแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสอีกว่าขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลส เราต้องมีความอดทนงที่เรานั่งอยู่เนี้ยมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันเหนื่อยก็ต้องอดทนบางครั้งเราเจอความร้อนความหนาวความผิวกระหายล้าก็ต้องอดทนเจอคาพูดเจอการกระทำกระทบกระทั้งเราก็ต้องอดทนเจอสิ่งยั่วยวนุนก็ต้องอดนทนหรือว่าต้องไม่หวั่นไหวดังผูกขา แตไม่หวั่นไหวดังภูผาภูเขาหินไม่หวั่นไหวที่ลมพัดแรงมาไม่หวั่นไหวดังภูผาวางอุเบกขาดังวารินน้ำแม่น้ำก็จะไม่หวั่นไหวใครจะของดีของเสียลงไปน้ำก็วางเฉยวางอุเบกขาดังวารินหนักแน่นดังแผ่นดินเนะี่ยแผ่นดินเนี่ยใครจะ สาสตร์ของดีของเสียขุดเจาะดินก็ไม่หวั่นไม่ไหวไม่หวั่นไหวหนักเล่นดังแผ่นดินชาชินเพราะช่างมันหัดช่างมันบ้างเนี่ยใครชั่วใครช่างก็ช่างถือใครใครชูใครเชริดก็ช่างเขาใครดาใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็ยนเป็นพอถ้าเราสงบไม่ได้ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็ระเบิด ออกฝปทัทางมือทางเท้าทางปากปัญหาใหญ่ข้อเสียก็ตามไปเดือดร้อนอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งขันตีปรมังตะโตตีติขาเราจะพวเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอดทนพระพุทธเจ้านั่งประทับใต้ต้นพระศีีมาโพในวันตรัสรู้อย่างอาธิษฐานจิตว่า แม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเนื้อในหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็จะไม่ลุกจากสถานนี้เป็นที่นี้เป็นเด็ดขาดนั่งตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนยันสว่างเดี๋ยวเรานึกถึงอย่างเนี้ยเรานั่งไปปวดสางปวดขาก็นึกถึงพระเดจา่าพระองค์เรื่อง ยอมตายถึงได้สัมมาสัมโพธิญาตอดท น, นขันติปรมังตะโพติติขันติคือความอดทนเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ้ตัดว่านิพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดว่านิพานเป็นยอดต้องไปสู่สิ่งที่ยอดที่สูงสุดนี่คือนิพาน ทำอันเป็นที่สิ้นไปแห่งปัจจัยตรุงแต่งท้งไหนตรัสเป็นคำสอนอีกว่านะนาทีปับพชิตโตปรูปขาตีผู้ทำร้ายสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติป ร, รังเพเทยันโต ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยมาเป็นสมณะเป็นนักบวชเนี่ยต้องเป็นผู้วางจะไม่เบียดไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครได้ตรัสถึงหลักธรรมอีก่กข้อว่าอารูปรคาโตอรูปอรูปรวาโตอัน อรูปรคาโตยการไม่พูดร้ายการไม่การไม่พูดร้ายหนึ่งอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งปาติโมเขจะสังวโร ก, การสํารวมในปาติโมหนึ่งมัตตัญยุตตาจะพัตตสมิการรู้ประมาณในการบริโภคหนึ่ง ปันตันจะไซนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดหนึ่งอธิจิตเตจะาโยโคโการหมั่นประกอบในการทําจิตให้นิ่งให้ยิ่งหนึ่งเอตังคุทธานศาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกองก็จะสอนอย่างนี้เป็นหลักเป็นโอวาทปาติโมกเป็นหลัก ทำเป็นหลักของพุทธศาสนาที่เราจะถือตามนี้ทาหกอย่างต้องไม่กล่าวร้ายต้องไม่ว่าร้ายสำรวมในปาติโมคคือสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้ให้เว้นเพราะว่าถ้าไปกระทาแล้วมีโทษ อย่างฆ่าสัตว์เนี่ยรักษาประพฤติดในการมพระองค์มองเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษมันถ้าเราไม่เว้นเนี่ยเราก็จะต้องรับโทษความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นปัญหาความปวดวานที่บางคนป่วยทุกข์ทรมานเนี่ยนั่นเันมาจากบาปที่ทำร้ายร่างกายครับ บางคนเนี่ยจะกิ น, นั้งทีก็ต้องทำร้ายชีวิตสัตว์อย่างทรมานภาพตามร้านค้าต่างประเทศใครต้องการจะกินสัตว์ตัวไหนก็ไปชี้เจากของก็เอามาแล่เป็นๆกรีด เ, เนื้อเป็นชิ้นๆ ดางนั้ น, นี่มันยังเป็นอยู่เจ็บปวดขนาดไหนบางทีก็เอาปลามาบ้างบั้งใส่เครื่องแกงเสร็จก็ทอดเอาหัวมันตั้งไว้ไม่ให้มันตายเอาตัวทอดเสร็จก็มาใส่จานใส่ให้ลูกค้าลูกค้าก็ตักกินเนื้อหนังนี่มันยังปังาบปังาบอยู่มันลองคิดดูว่ามันจะเจ็บ ปวดท ร, รมานขนาดไหนเวลาการรมมันให้ผลเนี่ยเวลากรรมให้ผลมันทารุ่นเนยอะโวยทารุ่นซับซอ้อนยังมีบางคนโดนผ่าตัดมีข่าวที่ว่าน้อยใจสามีเลยไปดื่มน้ำใย้ยาล้างห้องน้ำข้างตัวตาย คนช่วยเหลือมาได้หมอต้องล้างท้องก็ไม่ได้ต้องผ่าเอาตัดตั้งแต่หลอดคอไปถึงกระเพาะอาหารดึงลำลำไส้มาแทนหลอดอาหารกินอาหารอะไรก็กินลงลำไส้ไปไปเดียวมันตีบก็ต้องหมอก็ต้องแย่งเจ็บปวดทรมานมาก เนี่ยทำนองอย่างเนี้ยคือเวลาทำกรรมไว้ทำอย่างทารุณเวลกากรรมมาได้ผลก็เ็ดแสบปวดร้อนเจ็บทรมานฉะ <c oughs> นั้นพระองค์เห็นโทษเหล่านี้ไหนจะต้องไปเสวยกรรมในนรก <c oughs> จึงให้เว้นบาปทั้งปวงไว้ <c oughs> อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปทำร้ า, ายร่างกายเขา <c oughs> อย่าไปทุจริตช่อบโกอย่าไป มาพฤ้นผิดในการจะไปโกหกหลอกหลวงสอดเสียดอยาดใายเพราะเชืเพราะมันนํามาซึ่งทุกข์นั้นยิ่งเป็นส ม, มณะพรงจึงเตือนไว้ว่าผู้ที่จําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตนะผู้ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นส ม, มณะมันเป็นนักบวชเป็นส ม, มณะต้องไม่กล่าวร้าย ต้องไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ว่าร้ายสำรวมในปาติโมกสิกขาบทต่างๆต้องรักษา อ, อย่างญาติโยมก็มีสิกขาบทคือสินห้าอย่างพระก็มีสินมากขึ้นไปอีกต้องรักษาต่างๆนะสำรวมในปาติโมกโพชเนมตันยุตารู้ประมาณในการบริโภคอาหาร <c oughs> แสดงว่า มันมีความสำคัญเรื่องอาหารเราก็นึกว่าไม่น่าจะบาปใช่ไหมไม่เห็นจะเกี่ยวกพรไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่มันเบียดเบียนตัวเองอะหินมากแล้วมันจะไม่มันจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไหนจะเป็นปการปฏิบัติธรรมมันจะยากที่เราทำอะไรแนละ้วมันเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวฟุ้งเนี่ยเพราะมันปอาหารนี่เป็นปัจจัยสำคัญ แต่พอเราทานพอดีทานน้อยลงท้องท้องว่างๆมันก็โปร่งสมองโปล่งนั่งไม่ห่วงไม่ฟุ้ง่า่งกายปลอดสติปัญญาพิจารณาธรรมแจ่มแจ้งบรรลุธรรมได้ง่ายนีอนั้นมันเป็นตัวสำคัญเหมือนกันสอนว่าโพชเนมตันจะรู้ประมาณในการบริโภคอาหารปันตันจัดสยนาสนงเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ย นอนนั่งในที่สงบยืนเดินนั่งขาที่สงบวิเวกต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกายเราสงบจิตเราก็จะสงบตามกายยาวิเวกจิตตะวิเวกสงบ่างนั้นมันก็จะเข้าถึงมุปฏิวิเวกเข้าไปถึงความสงบจากกิเล ดัะนั้นเป็นผู้ที่ต้องอาสายที่สงบปีเวศอาทิจิตเตจะอายโยโคการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิงอเ น, นี้ยไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องเพียรต้องภาวนาต้องทำจิตให้จิตจะต้องทำให้เขาถึงสมาธิต้องเขาทำให้ถึงปัญญาจึงเข้าถึงซึ่งวิมุติความหลุดพ้น ธรรมชาติของจิตนั้นะเป็นธรรมชาติที่กัดแกงดิน่นรนสัดสายเนี่ยแวบไปแวบมาเดี๋ยวไหลไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้โลกกรดหลงเราจะฝึกจิตอย่างไรก็คือต้องมีสติตามดูรู้เท่าทันเน๋ยวเรานั่งมามันปวดเนี่ยจิตมันจะกระสับกระสายแล้วจะต้องดูจิต อ, อ๋อจิตจิตเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะฝึกจิตให้มันวางเฉยเนี่ย ปวดก็ปวดส่วนหนึ่งแต่รักษาจิตให้ว่างช่ยเมื่อรู้จิตรักษาจิตบ่อยๆเข้ามันจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่าโอ้ปวดนี่อย่างหนึ่งจิตก็เป็นอีกอย่างหนึง่งที่ก่อนเนี้ยเอาจิตกับปวดมันเป็นอันเดียวกันมันจะเห็นเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นอันเดียวพอเราฝึกดูจิตเนียอย่างเวทนามันปวดขนาดเนี้ยเราเราใส่ใจไปดูที่จิตดู เมื่อใส่ใจที่จิตหัดจิตให้วางเฉยบ่อยๆเรื่องๆมันจะเกิดความเห็นว่าระหว่างปวดกับจิตเนี่ยมันคลอันกันปวดก็มีอยู่แต่ว่าจิตมันก็เป็นอีกอย่างจิตมันเฉยๆได้แยกกายแยกใจแยกสภาวะแล้วก็ที่สุดมันจะมีญาณปัญญาเห็นว่าปวดไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรา นี่มันเป็นวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเห็น น, นัตนตะเหมืนที่ภาษาริบบ ท, ที่ท่านฟังเรื่องเวทนาพนระพุทธเจ้าสอนให้ดูทางโคฆานาะให้พิจารณาดูเวทนาว่ามันมีเหตุมีปัจจัยแล้วมีภาษามันก็เกิดเวทนานะ่อย่างเรานั่นกระทบอยู่นานๆขามันพับอยู่มันก็ทบความแข็งความตึงมันก็จะปวดมีเวทมีทุกของเวทนา ถ้าไม่พิจารณามันจะเลยไปสู่ตัณหาอยากอยากไม่มีไม่เป็นยึดไปสู่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามีสติรู้มีผัสสะเกิดขึ้นกระทบสัมผัสมีเวทนารักษาจิตดูจิตไวมันก็จะอยู่แค่นั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นไปนตามเวทตามปัจจัย แต่มันไม่เลยไปสุกตัญหาไม่เป็นเลยไปสุขปาาัญหาบ่อยๆเนืองๆ เ, เข้าก็มีญาณอย่างเห็นว่าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาควาปวดความเจ็บความเมื่อยความสุขทุกข์มันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งธรรมชาติสิ่งหนึ่ ง, รร ง, งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยจิตที่รู้จิตที่มีสติสมัมปชัญญะเคยรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวตน ดูไปดูมาเอ๊ะมันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่ใช่ตัวตนจิตมันเห็นแจ้งขึ้นมาอย่าเ น, นเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงจะเป็นทางแห่งความบุญคลเอาเห็นความจริงทิ้งตัวตนค้นบวงมารสิที่พระองค์ได้ตรัสว่าเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็น ว่าสังขารไม่เที่ยงเขาย่อมเกิดความเบื่อหน่ายหรือเห็นทุกข์ก็ตามมันตั้งอยู่ทนอยู่นั่นก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือเห็นอนัตตายจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะสังขารนี่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์บิบขั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ยซ้ําๆอยู่เย่างนี้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตจึงคลายกําหนับเมื่อคลายกําหนับจิตจึงเข้าถึงความหลุดพ้นอย่าอสวกิเลส เมื่อจิตหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาสิ้นแล้วพรหมจันท ร, ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วกิดอื่นเพือความเป็นอย่างนี้ไม่มีกอแล้วเนี่ยเรียกว่าถึงที่สุดหลุดพ้นระดับพระอระหันต์นะเนี ย, นยก็ขอให้พวกเราได้ทาเพียรพยายามสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้ ดวงตาเห็นธรรมจากของอุตตปาทิดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นญาณังอุตตปาทิญาณเกิดขึ้นปัญญาอุตตปาทิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุตตปาทินะวิชาความรู้แจ้งเจริงเกิดขึ้นอะโรโกโอุตตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนะ่ะในธรรมที่ นี่ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกจะต้องกําหนดรู้ตัณหาเหตุให้เก<ะ>ิดทุกข์จะต้องละมาดับตัณหาละตัณหาก็เข้าถึง <orde S 2> ความดับทุกข์โดยการเจริญอริยมรรคมี ốc, องแตกเข้าไปรู้ทุกเข้าไปพิจารณาทุกให้เห็นตามความเป็นจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงเกิดเห็นเป็นภยัยเป็นโทษเกิด ค, ความเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายวางเฉยปล่อยวางคลี่คลายจิตก็คลายกำหนักเมื่อคลายกำหนักจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มียาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นนะครับก็อขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้เข้าถึงแนวทางดวงตาเห็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยทั่วหน้าการทุกท่านคือ